โดดลงจากหลังมา้าหลังจากที่ฝึกขี่ ม, ม้ามาแค่สองชั่วโมงโค้ท่จัดการหาม้ามาให้เราประสีลาเราขี่ ม, ม้ามาไกลขี่ขึ้นเขาอยู่บนยอดเขามองผ่านคิวสนต่อไปไกลแสนไกลเห็นพวกเขาสลับซับซ้อนกันไปไกลมากจากสีเขียวเข้มซึ่งอยู่ระยะสายตาใกล้แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จางออกเป็นสีฟ้าสีขากลบกลืนไปกับแผ่นฟ้า ก็จะมองไม่เห็นเส้นกั้ น, นระหว่าง ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข, ขอบเขากับขอบป้าเลยเห็นนกตาบินร่อนไปร่อนมาอยู่สองตัวเห็นนกกระมิ้นเหลืองอ่อนบินโฉบไปมามเฮ้ย น, นกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกนกนางแอ่นบินเรียงแถวยาวเหยียดยังมีระเบียบเหมือนได้รับการฝึกฝนว่าเป็นอย่างดีเ ย, ดยี่ยมแล้วแหละมล้เพลินตาดีเหมือนกันเปิดนึกเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีป่าเขาล่งแนาพลายแสนวัดงานอย่างนี้ ธรรมชาติเป็นผู้สร้า ง, างชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จริงจรจริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงแท้แน่นอนเราเพิ่งไปจัดตอนนี้แหละตอนที่เราได้สัมผัสธรรมชาติด้วย ต, ตัวเองแบบนี้หมู่หญ้าชูยอดท้าทายสายลมและแสงแดดแข่งกันผลิ ด, ผ ด, ดอกหลากสีสันาบางชนิดพอโดนลมก็ลอยละลิ้วหรือว่านกลาอากาศให้บรรยากาศที่แสนดีอีกแบบหนึ่งอากาศดีเหลือเกินอ่ะหายใจไเต็มปอดจริงจอยากให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติ และจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้รู้จักรักธรรมชาติมากขึ้นเไม่เป็นคนทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่คนสมัยนี้มักทำอย่างเคยชินคิดว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นประวัติได้มีผลต่อสภาพแวดล้อมหรืออาจจะไม่ทันได้คิดไปไกลขนาดนั้นทถ้าที่เรื่องนี้เปรื้อกล้ายตัวมากคนเป็นผู้ทําลายสภาพแวดล้อมแล้วก็คนอีกนั่งแหละที่จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของมลภาวะโลกเป็นพิษ ปฏายประสงจริงๆนะเนี่ยไม่ได้รอเล่นเลยอืหืืออะไรกันคะ แกลเธอแกรแอมกเกลยถาว่ามีอะไรเหรออสงสัยคุณเลสิสงสัยอะไรฉันน่ะใจลอยไปถึงไหนเอ๊ยยืนมองไปข้างหน้าในขณะที่ใบหน้าอมยิ้มอย่างเนี้ยคิดถึงแฟนที่กรุงเทพใช่ไหมล่ะแฟนเหรอจ๊ะใช่ตอนเนี้ยฉันไม่มีใครแล้วล่ะแสดงว่าเมื่อก่อนคงมีสิฉันยอมรับนะ ว, ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายสายซื้อหรอกจะเคยมีแฟนมาแล้วไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะมีหลายคนเช่ะ มีทีเดียวหลายคนรู้ว่ามีทีละคนล่ะอืมคําถามดีมากเลยจ้ะฉันมีทีละคนไม่ชอบมีทีลหลายคนไม่ชอบเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟอะ่ะเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับเจ้าหน้าที่รถไฟด้วยล่ะก็เกี่ยวตรงที่ต้องคอยสับรางยังไงออไม่หายคุณเทพเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะนี่ยังจะมีอีกนะเธออะไรอะ่ะอแขนเป็นอะไรอะ่ะฮะแขนก็เป็นแขนสิมันใช่ลองคิดดูสิแขนเป็นอะไรนื้อปีอ่องอะ่ะไม่ยากหรอกง่ายๆ อย่าคิดไปไกลนักสิก็คิดไม่ออกฉันหลอยมาเถอะแขนเป็นอะไรหรออืมแขนเป็นฟออะไรแขนเป็นฟอไม่เข้าใจเ<อ>หรอแงงเลสิท่าใช่สิงงแขนเป็นฟอก็ขอเป็นแฟนไงโทษ <laughs> <laughs> สิลาคะอยากฟังจะร้องเพลงไหมอยากสิคุณเทพจะร้องเพลงแบบไหนอะคะเพลงลูกทุ่งอะอ๋อคุณเทพร้องได้เหรอครับเพลงลูกทุ่งอะชอบมากเลยล่ะจริงเหรอจริงสิอยากฟังมากอยากสิคะ่ะร้องเลยฟังให้ดีๆนะจะร้องแค่ครั้งเดียวนั่นแหละคะ่ะาฟังนะ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment กับไฟอาจจะเผาจนใจไม่เกรียมอาจเป็นฝนที่หนาวเหน็บฉันก็ยอมเสียงเพียงได้เจอรักแท้ฉันเน็บนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปียกฝนเท่าไรก็ยอม ฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากที่รักจริงๆสักที I'm e y o n เท่าไรก็อยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจ แต่อย pues ู I I ่ในความทุกข์ใจฉันทที่ใจของเขาันรอาจเป็นความสวยงามที่ลอกเคนมีฝันแล คือของฝันจะฝาหรือคือคาสาคือยาดฝนช่ำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคือ เช่นไรเยองคงไม่รู้ไม่เคยทูกใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส่อนสูงนทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิและทำให้ใจ ลายมดทุกทุกอย่างไม่ลืม สายคีออยอาฝนช้ำเย็นรู้ร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไหมที่วารอยอยห็นได้คือความรักที่ไหม ความรักแท้จริงเป็นเช่นไรเร่องคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สร้สางทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ ตรงร่างเราันรายหมดทุกๆอย่างไม่เหลือเลยันรายหมดทุกๆอย่าง ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองส่งถึงใบตรีเธอคงมองส่งถึงความหวังดี ซึ่งถึงสายตาเธอมองไม่ซึ้งถึงความบูชายว่าฉันศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรองแต่หัวใจอ่อนอ่อนคงเธอทำดูสิ่งใดฉันไปสะทกสะทานสะเทืน ฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขา Don't know who. For who? Who? w o Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? w w h h o w h ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment โอ้มันตกกลางป่าสวยเหลือเกินอะ่ะชอบใช่ไหมชอบมากเลยจ้ายิ้ยมจังเลยอ่ะถามจริงๆรเนี่ถามว่อาอะไรเหรอเคยเที่น้ำตกหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมานี่ถาแบบนัน้นแบดื้อทุกทนะก็เห็นคุณแท้ทําตัวเหมือนคุณชายนึกว่าไม่เค่อยได้ไปไหนใกล้ๆเลยสิอ๋อเหรอที่จริงนั้นจริงเหรอก็จริงนะสิมองผิดคนซะแล้วเธอพี่จริงเหรอไม่จริงพ่อแม่ฉันเลี้ยงฉันแบบคนรุ่นใหม่นะ ให้กลา้าตัดสินใจด้วยตัวเองให้คิดเองทําเองชันนะ่ะได้พ่อมาเยอะมากฉะละและฉันก็เป็นนักเที่ยวตัวยงด้วยนะจริงเหรอจริงๆไป่ ไ, ไโกหกแต่น้ําตกเนี่ยเจ้าก็ได้ไปเที่ยวหรอแต่ก็ได้เที่ยวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เคยไปสัมผัสหรอกค่ะแล้วยงไงคะก็ไม่ร้องไงแต่ชอบน้ําตกนี่มากๆชอบตรงไหนก็เห็นธรรมดามากๆเลยแต่เห็นธรรมดามากเพราะเธอเห็นจนชินตาสิแต่ชั้นเนี่ยนะน้ําตกแห่งนี้ เือเจ็บเป็นครั้งแรกทุกอย่างดูสมบูรณ์มากเลยมีสามทั้นด้วยกันชั้นบนเป็นลานหินกว้างประมาณ4ี่เมตรน่าลงไปนอนเล่นจังเลยนอนได้ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าลานหินนั่นน่ะบางจุดมันลื่นที่ลื่นเพราะโดนน้ามันซัด ก, กระเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งชั้นสองนี้ยิ่งลื่นใหญ่เลยเดินไปไม่ได้เด็ดขาดมันลื่นไปหมดพลาดตกจากชั้น2ลงไปแอ่งน้ําชั้นล่างแล้วก็ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วล่ะเลี้ยงโตไม่ได้หรือไงนะ <c oughs> <c oughs> ให้โตนะมานะคุณเนียพูดเล่นไปหมดเลยว่าก็จะเครียดทําไมอ่ะอยากลงไปเล่นน้ําใอเอ็งนั้นมามันลึกไหมถามทำไมคุณว่ายน้ําไม่เป็นหรอว่ายได้สิใครๆก็ว่ายได้แหละว่า ย, ยังไงไม่ทราบนี่ไงก็ประมือแบบนี้ว่ายไปได้นนแต่เด็กแล้วละ่ะเทพอ่ะอาแต่พูดเล่นอยู่นั่นแหละแล้วจะลงไปไหมเนี่ยลงไปสิอยากเล่นน้ำแต่พอแล้วละ่ะงั้นตามฉันมาค่ะเจ้าถิ่นรู้เส้นทางลงใช่ไหมแน่นอน พื้นศู้าฝ่าดงหญ้าลงไปแล้วก็เหยียบทุกหลุมแล้วก็ร่วงชิละหินได้เยอะมากหมอไม่เห็นเหรอค่ะหญ้ามันขึ้นมารกปกคลุมหินหมดแล้วอ๋อตามมาทางนี้เลยค่ะจยไปไกลไหมไม่ไกลหรอกเดี๋ยวก็จะมีความสุขกับการเล่นน้ําน้ําที่เนี่เย็นจับจิตจับใจชิละ่ะเนี่จะไม่เย็นได้ไงเนี่ยแดดแทบจะสองลงไปไม่ถึงเลยนะเนี่ยแสงแดดดำร้ายเท่านั้นเองแล้วตอนท่ากาศหนาว ด, ด้วยอุ้ยแค่คิดก็สาลลลิกซะละ นี่เธอนำทางอ่ะโดยชา้าหน่อยสิจ้าคุณชายตามมาทันแล้วจ้าขอโทษลืมไปค่ะนึนกว่าคุณเป็นทาสานซอีกโทษเธอแล้วก็ น้ำมันตาใช่แล้วอ่ะนี่และนี่แหะนี่แหะนี่แหะนี่ลน่ะแหลเรอได้เลยนตีน้กระเซ็ใสหน้าคุณบ้างนี่น่นนี่นานี่นานี่นี่้ทโนใสหน้าช่วเลยนะรจเจ้าเล่ห์นี่นาเฮ้ยนี่นานี่นานี่น่นี่น่นี่น่นี่น่ี่ น้ําลึกพอไหมลังดีเลยลึกแค่ปลายจมูกก็นะว่ายรังดีเลยเนี่ยนึกกว่า น, นี้อีกหน่อยก็ดีใช่มหมทาไมเหรอก็จะได้กระโดดลงจากข้างบนได้ไงโดยจะชั้นบนหน้าเหรอใช่อ๋โอ้โห<อ>ลึก<อ>มาก<อ>มากเจนนะถ้าแอ่งน้ํานี่ลึกมากๆก็ไม่เป็นไรหรอกแต่วันนี้ตื้นเกินไปขึนโดดลงมาคอหักตายแน่แน่<อ>เลยดึกได้ไงอะไรเหรอ ก็ต้อยากโดดจากชั้งส า, างสนุกออกโอ้ยไม่ไหวหัใจวายตายพอดีแต่ฉันกลับรู้สึกสนุกนะจะสนุกปปคนเดียวเธอนี่นี่ น, นี่เรามาดำน้ําแข่งกันมาว่าใครจะดำได้นานกว่ากันนะ้าได้เลยข้ามโกงกันนะจ๊ะได้ฉันนับหนึ่งถึงสามแล้วดำพร้อมกันเลยนะอ้าจ้ า, จาเอาแล้วนะหนึ่งสองส